การฟังธรรมะทุกท่านทุกคนเคยฟังกันมาธรรมะของแต่ละอาจารย์ที่แสดงไปาตามนิสัยของท่านแต่ธรรมะนั้นก็เหมือนกันกันกบอาหารคนฉลาดทำอาหารก็มีรสชาติอริตอร่อยคนโง่ไม่เคยทำอาหาร ทำได้รสชาติก็ไม่่อยมีใครนิยม <c oughs> รับทานให้หันใดก่อนฉันนั้นเหมือนกันเรื่องการแสดงธรรมะทุกท่านที่แสดงก็มุ่งหวังอยากจะให้ผู้ฟังได้รับความสงบสุขแต่การแสดงของท่านก็แล้วแต่สติปัญญาจะอำนวยให้ ธรรมดาป่าเต็มมากเม่คอคได้ศึกษาอย่างธรรมะสำหรับตำราเหมือนพวกปริยัติเขาแต่นั้นที่ท่านพูดไปแสดงไปอะไรที่ขัดข้องที่ไม่ส่ดูกในหูของเราคือสังคมส่วนใหญ่เขาไม่พูดกัน พระป่าพระดงส่งทนทนเมตยสังคมพูดเราก็ให้อภัยฉันไปเพราะทันไราการศึกษาธรรมดาการฟังธรรมะป่าเมื่อเวลาฟังก็ต้องนั่งภาวนากนําหนดจิตของตอนเอาไว้ปัจจุบันเพื่อไม่ให้ส่งกระแสจิตคิดปรุง ไปในเรื่องอดีตหรืออนาคตกำหนดอยู่ในเรื่องปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นก็ให้ทราบในสติประคับประคองจิตในจิตในปรุงส่วนอื่นท่านแสดงอะไรไปก็เป็นหน้าที่ของท่านเราคนฟังก็คอยฟังไปท่านพูดได้แล้วก็ฟังได้จะหนักเบาอย่างไร ก็เป็นเรื่องของท่านผู้แสดงฉะนั้นตอนการฟังเราจะต้องตั้งใจรักษาอารมณ์สัญญาไม่เห็นมาเกี่ยวข้องกับจิตใจมุ่งความสงบสุขของใจให้คิดว่าการคิดตามสัญญาอารมณ์เราเคยคิดเคยปรุง เป็นระยะยาวนานธรรมรู้ความฉลาดความสุขความสบายภายในจิตใจนั้นเราก็เคยเห็นเคยเป็นมานิดๆใ น, นหน่อยไม่พอใจไม่สวมปราถนาเมื่อเรามาฟังธรรมะภาวนากำจัดตัดอารมณ์สัญญาทางนอกออกไปอย่างนั้น อารมณ์มันจะเกิดขึ้นผ่านมาก็ปล่อยปะละเลยมันไปอย่าไปเอาใจใส่ใตั้งใจกำหนดอยู่ในปัจจุบันธรรมะนั้นจะเข้าไปสัมผัสกับจิตใจของผู้ที่ตั้งไว้โดยดี จ, จ, จิตจะสงบจิตจะรงรวมไ <c oughs> ล้รับความเยือกเย็นเรามาป่า เราเสียสละหน้าขี่การงานความสุขความสบายตลอดถึงทรัพย์สมบัติออกมาเพื่อฝึกหัดไปตีบัตจิตใจเพื่อความสงบเพื่อความสุขของใจไม่ได้มาสแสวงหาความสุขของกายเพราะป่าก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นสถานที่กันดารไม่สะดวกสบาย ไม่ว่าอาหารการบริโภคหรือที่นัง่งที่นอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่สะดวกสบายเหมือนบ้านของเราเหมือนในเมืองเหมือนโรงแรม <c oughs> แต่เราก็สมัครใจอยากจะไปทดสอบดูที่เรามาทุกคนตั้งหน้ามาเพื่อจะปฏิบัติฝึกหัดดัดกายว่าจาจใจของตัว ไม่ใช่เรามาสแสวงหาวัตถุส่วนอื่นไม่ใช่เรามาทัศนาจรเพื่อดูสิ่งที่เราชอบเรายินดีเพราะป่าไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้ฟังซึ่งเป็นของวิศเศษทางโลกเขานิยมชมชอบกันแต่ป่าเป็นสถานที่สงัด เป็นสถานที่วิเวกคือไม่มีผู้คนเห็นผ่านไม่มีเสียงรบกวนเงียบสงบจากสิ่งรบกวนภายนอกนี่คือเป็นสถานที่อบรมจิตประพฤติปฏิบัติใจของตัว สมัยพุทธกาลครูคทีมุ่งหน้าปฏิบัติตัวข้องตัวนั้นโดยส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ป่าศึกษากพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ส่งไปให้บำเพ็ญภาวนาหาขี่วิเวกสงบท่านเหล่านั้นได้รับคำแนะนำสั่งสอนแล้วก็ออกไปปฏิบัติ ที่ไหนถูกจริตนิสัยของตัวก็ไปอยู่ที่นั้นตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติดูแลรักษาใจของตัว <c oughs> อยู่ตลอด24ชั่วโมงจิตใจเมื่อถูกดูแลรักษาก็มีโอกาสเวลาที่จะ สงบมีโอกาสเวลาที่จะสว่างสวัยมีโอกาสเวลาที่จะสะอาดปลอดภัยถ้าหากเราไม่มุ่งอย่างนั้นถึงจะไปอยู่ในที่วิเวกสงบขนาดไหนแต่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะปฏิบัติรักษากำจัดกิเลสตัณหา สัญญาอารมณ์ของตัวมันก็ไม่เกิดสาระประโยชน์ให้เช่นพวกทานป่าเขาไปดักเนื้ออยู่ในป่าเขาก็รักษากายวาจาของเขาอย่างเข็มงวดเหมือนกันไม่อย่างนั้นสัตว์ป่าได้ยินคำพูดของคนขึ้นมันก็เห็นนี้ หรือกระดุกกระดิกตัวมันมองเห็นเขามันกกวิ่งหนีไปไม่ได้อะไรแต่นั้นพวกทานป่าเขาไปนั่งร้านอยู่บนต้นไม้คอยจะต้องรักษาทุกอย่างเงียบคอยจ้องมองดูตั์จะมาทิศใดทางใดตาโกาดูหูกาฟัง เมื่อสัตว์ผ่านมาได้ยินเสียงก็ค่อยจ้องดูแล้วก็หันกระบอกปืนไปข่างนั้นพอเห็นมันผ่านมาได้ระยะรมควรพอที่จะยิงได้เขาก็ยิงนี่เป็นพวกทานป่าเขาไปอยู่ในสถานที่สงัดเขาไม่ได้ปฏิบัติใจของเขาเขาอาฆาตมุ่งสัตว์ ที่จะผ่านมาเพื่อจะนำมา <c oughs> เป็นอาหารหรือนำมาขายเพื่อรายได้ทางหนอะจิตของเขาจึงไม่มีโอกาสเวลาที่จะพบธรรมะคือความเยือกเย็นสงบสุขได้แต่นักภาวนาไม่อย่างนั้นไปอยู่ป่าตั้งหน้าจะปฏิบัติ ต้องสำาัะจิตใจของตัวสัญญาอารมณ์อะไรที่เคยเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงกับใจจะต้องถอดทิ้งปล่อยวางไปตั้งหน้ากำหนดดูแลรักษาจิตใจของตัวคนที่ฝึกใหม่ยังไม่เคยสงบภายในยังไม่ทราบว่าอะไรจะทำให้จิต ของตัวสงบระ ง, งับให้โดยส่วนใหญ่ท่านก็นแนะสอนให้บริกรรมหรือกำหนดลมแล้วแต่ <c oughs> จริตนิสัยของใครจะถูกอันใดการกำหนดบทบริกรรมนั้นก็แล้วแต่ใครชอบบทไหนแต่ต้องมุ่งเอาใจใส่จริงจัง ว่ารําบริกรรมที่เราบริกรรมนั้นจะทําจิตของเราให้สงบระงับไม่มีสิ่งอื่นจะดีวิเศษเท่ากับคําบริกรรมของเรานี้อารมณ์อื่นเกิดขึ้นเราจะไม่ต้องเกี่ยวข้องหรือผ่านมาเราก็จะต้องไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์หนนั้น จะตั้งอยู่ในคำบริกรรมนั้นเมื่อใดยังบริกรรมได้จิตไม่เกิดอัตัจจันต์สงบเงียบเมื่อใดเราจะตั้งใจบริกรรมอยู่อย่างนั้นนี่คือผูผบริกรรมจะบริกรรมพุทโธธรมโมสังโฆกับบริกรรมอยู่นั้นจะบริกรรมคำเดียวพุทโธพุทโธก็ได้ผูกําหนดลมหายใจก็เหมือนกันกาหนด ให้ทราบทุกระยะลมออกลมเข้าก็ให้กําหนดให้รู้อยู่ตลอดเวลาหรือจะนําคําบริกรรมกํากับเข้าไปพุดเข้าโทรออกก็ได้ให้บริกรรมอยู่อย่างนั้นให้กําหนดอยู่อย่างนั้นเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้ด้วยความเอาใจใส่ด้วยความตั้งใจจริงจังจิตที่เคยวิ่งบุ่นตามสัญญาอารมณ์ เราตัดออกไปถึงเกิดขึ้นเราก็ไม่เกี่ยวข้องจิตอยู่ในลมหายใจหรืออยู่ในคำบริกรรมเลื่อยไปอยู่จิตไขวยละเอียดเขา้าละเอียดเขา้าผลที่สุดจะสงบเมื่อสงบถึงที่คนที่เคยสงบก็จะทราบดีแต่คนที่ไม่เคยสงบเมื่อสงบเขา้าเราก็จะทราบ พะเราไม่เคยเป็นเคยเห็นมาก่อนพอได้สัมผัสเข้าเราจะทราบว่า น, นี้คือความสงบความสงบนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำจิตใจของพวกเราท่านให้เชื่อมัน่นยินดีอยากจะประพฤติปฏิบัติอยากจะเห็นจะเป็นอยู่เรื่อยๆเพราะความสงบของจิตนั้นถ้าเข้าถึงขั้นสงบ ถึงที่จริงจังแล้วจะไม่มีสัญญาความหมายจะไม่มีเวทนาอะไรที่ปรากฏในความสงบนั้นนิ่งเงียบแต่มีสติกายทางกายจะไม่ทราบว่ามีกายเลยความเบาความสบายความอัศจรรย์ เราจะเห็นจะเป็นในขณะที่สงบนั้นเมื่อมันไม่ถอดถอนออกมาจากความสงบนั้นจะอยู่กี่วันกี่คืนมันก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวสะจิตไม่ได้ออกมาข้างนอกอยู่กับความสงบพอถอนออกมา จากความสงบจึงจะทราบว่าเรานั่งอยู่นี้เป็นระยะเวลายาวนานขนาดนั้นขนาดนี้นี่คือมันสงบถึงที่อย่างพระอริยเจ้าท่านเขานิโรธสมาบัติเจ็ดวันเจ็ดคืนท่านอยู่ได้ก็เพราะจิตขาดสัญญาเวทนาเข้าสงบเต็มที่ของท่านไม่มีการเหน็ดเหนื่อยเหมื่อยหิ้ว ไม่มีการร้อนการหนาวอะไรท่านอยูด่ด้เพะใจไม่ได้ปรุงได้คิดจิตสงบมันมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ผูท้ที่เห็นที่เป็นอย่างนั้นจึงเชื่อมัน่นว่าความสงบของจิตของใจนี้มีคุณค่าสาระสูง เราจะมีเงินทองเข้าของขนาดไหนจะไม่มีโอกาสเวลาเห็นความสงบความสุขของใจได้อย่างนี้ถึงมีมากขนาดไหนความทุกข์ของใจความบวรบกวนของอารมณ์สัญญยมันจะเกิดอยู่ตลอดเวลายินดีไปเยอะกว่าหายไม่เหมือนความสงบจากธรรมะที่เราอบรมเราภาวนา ถึงเป็นของผีแปลกประหลาดอยากจะให้คนทั่วโลกเขาเห็นเขาเป็นอย่างนั้นความเหยียดเย็ยนของใจถ้าเขาเห็นเขาเป็นอย่างนั้นทุกผู้ทุกคนจะมีศรัทธาเชื่อมั่นตังหน้าสังตาปฏิบัติเพราะความอัศจรรย์ความสุขความสงบของจิตใจนั้น มันผิดแปลกแตกต่างกับความสุขความสงบของโลกซึงั่วไปวิ่งวุ่นแสวงหาอยากได้มาเป็นของของตัวแต่ได้มาแล้วความสุข น, นั้นไม่ค่อยจะสมหวังให้ได้มาใหม่ๆก็ยินดีเมื่อนานเข้าก็เบื่อหน่ายแต่ความสุขของอัรทมที่เราตระเพื่อปฏิบัตินั้น ไม่มีวันเวลาจืดจางเมื่อจิตสงบรวมรวมได้ถึงจะไม่เป็นไม่เห็นอีกความคิดความจิตใจในการเห็นการเป็นของตัวนั้นประทับอยู่สม่ำเสมอในจิตในใจไม่มีวันที่จะหลงลืมแล้วอยากประพฤติปฏิบัติแต่บางท่านบางคน ที่ไม่มีปัญญาพิจารณาถั่วถึงก็เกิดสงสัยทำไมมันไม่เป็นอีกอยากจะเป็นจะเห็นจะรู้อย่างนั้นมีแต่ความอยากเหตุไม่สมดุลกันกันกบผลคือตอนที่เราทำเราตั้งหน้าตั้งตาบริกรรมก็ดีกำหนดลมหายใจก็ดีเราไม่มีความอยาก เราตั้งใจเก็บจ่อทำอยู่อย่างนั้นจิตจึงลงรวมให้แต่เมื่อลงรวมแล้วถอดถอนขึ้นมาวันใหม่้างหน้าอยากจะลงรวมอย่างนั้นเลยไปถาดฝันเอาตั้งแต่ความเป็นว่ามันสุขมันสบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่จิตปัจจุบันมันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันมันก็เลยไม่ลงไม่รวมให้เพราะมีความอยากผลักดันเอาไว้จิตใจไม่ได้ทางาน ไม่ได้กำหนดบทบริกรรมของตัวหรือลมหายใจของตัวมันเลยเลยเลยลงไม่รวมให้ถ้าหากคนมีปัญญาที่จะรียนรเรื่องเหล่านี้ตอนที่เราทำใครเราเขามาช่วยเราจิตใจของเราทำอย่างไรมันจึงรวมรวมให้แล้วเมื่อเวลามันไม่ลงรวมใครเรามาขโมยของเราไปมันจึงหายไป ก็เราทําเองแม่ใช่คนอื่นทําเมื่อเราทําต่างหน้าต่างตาเอาจริงเอาจังมันจึงเกิดลงรวมขึ้นอันนี้เราไปคิดคาดฝันว่าเท่านั้นมันสุกมันสบายอย่างนั้นชาวนี้ก็อยากจะให้มันดีมันสงบเหมือนก่อนแต่จิตมันคิดออกไปทางนอกมันไม่ดี จ, ดจุดเจาะในคำบริกรรมหรือ ในการกำหนดลมของตัวมันจึงไม่ลงไม่รวมให้นี่เป็นอุบายที่จะสอนใจของตัวการทำภาวนาการสุดจิตสุดใจนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนผู้มุ่งในความสุขความสบายจะต้องกระทำเพราะความสุขที่แท้จริงนั้น ไม่ได้อยู่กับวัตถุเข้าของอยู่กับจิตกับใจของเราเองถ้าจิตใจมันสุขมันสงบแล้วถึงสิ่งของภายนอกจะไม่มีกดต า, ามความสุขความสบายนั้นมันสุขมันสบายได้ไม่ต้องวิ่งวุ่นแสวงหา เพราะมันเห็นมันเป็นอยู่ในจิตในใจของตัวความอยากต่างๆความขาดฝันต่างๆทางโลกมันจะหายขาดเพราะมันเห็นมันเป็นในทางอัตทางธรรมคือความปล่อยวางละเรื่องต่างๆสัญญาอารมณ์เข้ามาสงบอยู่ภายใน คามปีติเติมใจซึ่งเราไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนจะเกิดขึ้นอยู่สถานที่ใดโดยอํานาจจิตใจเยือกเย็นโดยอํานาจจิตใจเป็นธรรมมีความเยือกเย็นมีความยิ้มแย้มแจ่มใสในตัวของตัวไม่ทุบร้อนไม่ลําบาก อยากอื่นเพราะความเห็นความเป็นในจิตในใจนั้นมันสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เสียใจแต่เรามาอยู่สถานที่อย่างนี้ไม่มีพักผัวเปลือนฟูงไม่มีลาบสะการะที่พักผ้าอาศัยก็ไม่ใหญ่โตหรูหราไม่ได้คิดไป นี่แต่ชมใจของตัวมันสุกมันสบายมันละมันถอนมันปล่อยมันวางสัญญาอารมณ์ต่างๆทราบเข้าใจในการประพฤติปฏิบัตินี่คือการประพฤติปฏิบัติกิจใจสแสวงหาสถานที่เหมาะดีแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจัง ผลที่ตอบแทนก็คือความสุขความสงบความอัศจรรย์จะต้องเกิดเห็นเป็นขึ้นในจิตในใจของตนผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นต้องเป็นอย่างนั้นท่านจึงอยู่ได้สะดวกสบายไม่วุ่นวายกังวลกับเรื่องอื่นนี่หมายถึงผู้เห็นผู้เป็นในอดในธรรม ผู้ที่ไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นลำบากยากยุ่งอยู่ป่าอยู่ดงทุกสิ่งทุกอย่างไม่สะดวกคิดไปคุงไปเลยอยู่ไม่ได้้อไปพักไปอาศัยในที่วุ่นวายในบ้านในเมืองจะหลับตาภาวนา จะทำความสงบข้องใจมันก็คิดไปอีกแต่ฐานที่นี้มันไม่สงบให้ปวดถึงรูปถึงเสียงรบกวนอยู่ตลอดระยะเวลาไม่เหมือนอยู่ป่าพอไปอยู่ป่าก็ต้องมีป่าไปอยู่บ้านก็ต้ง้งมีบ้านนี่คือจิตไม่มีอาจมีทำจิตไม่สุขไม่สงบ ตัวของตัวเองก่าเดือดร้อนแล้วก็ส่งออกไปสู่คนอื่นเพราะความไม่สงบของจิตอยากจะพูดจะคุยกับคนนั้นคนนี้ไม่มีความสงบไม่มีความสุขให้ท่านจึงสอนให้ทำความสงบของใจถ้าเราสงบได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั่วโลกมันสงบ มันจะเป็นไปอย่างไรนั้นเป็นหน้าที่ของมันแต่จิตใจของเราไม่ไปฟักพันเกี่ยวข้องมันสงบของเราเทถานั้นโลกก็เลยสงบ ก, กันเพราะเราอยู่สงบเรื่องของโลกเขาจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของโลกเขาเราพอจะทราบได้กายวิเวคือสถานที่ไม่มีคนพุกผ่านไม่มี สิ่งอื่นลบกวนนี่พวกเราตกอหาได้เพราะในป่าห่างไกลจากหมู่บ้านจากถนนหนทางรูปเสียงต่างๆก็ไม่ค่อยมาลบกวนตาไม่คอยเห็นหูไม่ค่อยได้ยินเสียงที่จะทำจิตทำใจให้เกี่ยวข้องยึดเหนียวต่างๆ ถ่านจิงสอนหาหาสถานที่วิเวกเรื่องกลวิเวกพวกเราก็พอเห็นพอเต็นอยู่แล้วและเดี๋ยวนี้ความวิเวกของกายก็วิเวกพอสมควรตาก็ไม่ได้ดูหูก็ไม่ได้ฟังเสียงอะไรข้างนอกแต่จิตตาวิเวกเรายังไม่วิเวกพอถ่านจิงสอน ให้ฝึกจิตเมื่อใดสถานที่ไม่มีรูปเสียงเรื่องอื่นมาลบควรเราจะต้องฝึกจิตเพื่อความวิเวกฝึกจิตวิเวกก็คือการกำหนดจิตใจจะกำหนดบทพุทธโทรบริกรรมก็ได้กำหนดลมหายใจก็ได้แล้วแต่อัธยาศัยอย่าให้จิต ไปครอบจิตจิดตรงในเรื่องภายนอกนีวานเป็นตัวสําคัญที่ทําจิตของพวกเราท่านไม่ให้สงบถึงภายนอกจะสงบแต่จิตก่อจิดตุ้งไปในเรื่องต่างๆอย่ยงว่านิวน้วานถึงเป็นเครื่องกลางกัน้นจิตใจมาให้สงบม่ให้ตั้งมัน่นไม่ให้เป็นสมาธิ มีวอนนั้นผู้ที่เคยศึกษาตามสําหรับตารากว่าอาจทรานมีวอนแคำว่ามีห้าที่ทนพูดตามสําหรับตาราห้านั้นถ้าหากสู่ภาวนาจะไม่ต้องไปนับนี่คือมีวอนตัวนั้นนี่คือมีวอนตัวนี้ไม่ต้องไปนับดูได้จิตในใจเท่ารังก่อทราบอะไรมันมารบกวนจิตใจ เราจะต้องตัดออกไปไม่อย่างนั้นมันจะเพคิคิดติดข้องอยู่เรื่อยๆไปเรามานี้ไม่ได้มาแสวงหาเรื่องเหล่านั้นเรื่องสัญญาอารมณ์เรื่องรูปเสียงกลินล่นรสเราตั้งหน้ามาภาวนามาละกิเลส อะไรซึ่งเป็นพิดเป็นภัยซึ่งจิตใจเคยข้องติดอันนั้นเราจะต้องปัดปล่อยออกไปใหาใจไปข้องไปติดเราจะกำหนดจิตเพื่อความสงบสอนจิตของตัวให้ตั้งมั่นอยู่อย่างนี้จะตั้งหน้าบริกรรมไปจยกำหนดลมไปจนใจได้รับความสงบเกิดอัศจรรย์นี่คือสูต สแสวงหาถี่วิเวกคูมมุ่งมั่นในการปฏิบัติจิตใจของตัวแล้วจิตสวิเวกจะเกิดขึ้นคือมันสงบมันรังงับจากนิวรณ์ทั้งห้าเมื่อมันไม่คิดปงไปในเรื่องข้างนอกมันอยู่กับ ทำบริกรรมอยู่กับลมหายใจข้องตัวกาดีจิตมันค่อยละเอียดลงไปค่อยสงบลงไปเราทราบเราเห็นเราเป็นจากการกระทําของเราความงงเหงาหานอนต่างๆนาน า, นาก็ด้วยความปีติปลื้มใจพอเห็นพอเป็น ความเยือกเย็นความสงบสุขซึ่งเราปากถนาอยู่แล้วเราเห็นเราเป็นอย่างนั้นมันจะง่วงเหงาหงนอนมาจากที่ไหนมันแม่งง่วงเหงาหงนอนให้เพราะความยินดีเต็มใจในการจะทำท้องตัวเดี๋ยวความ <c oughs> เป็นไปของใจเป็นอย่างไรเราทราบอยู่ทุกระ ย, ยะ พาเรามีสติรักษามีปัญญาแนะสอนจิตใจไม่ใช่อะไรผ่านมากาตะคุบเอาตะคุบเอาไม่อย่างนั้นความฟุ่งฟูงไปภายนอกจึงเรียกว่าอุทธจัจจกุตจะในนิวรณทั้งห้าฟ่งออกไป กาก็ไม่สงบให้เจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิว ต, ต่างๆใจก็ลำคานนี่คือความไม่เห็นความสงบความไม่เห็นอัตทรมไม่ยินดีไม่เต็มใจไม่เลื่อมใสในการจัดทำของตัว จิตจิงฟุ่งจึงฟุงมีความอยากมีความยืนยนประแั้งไปตามเรื่องสัญญาอารมณ์ต่างๆถ้าหากเราตั้งมัน่นทำการจริงจังจิงเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเราตัดสัญญาอารมณ์ออกไปเกิดขึ้นใหม่เราตัดอีกจนจิตละเอียดลงไปรงรวม เกิดความอัจฉรยแล้วความลังเลสงสัยงเรียกว่าวิจิติฉามันกว่าหายไปคนเขาจะพูดกันทั่วโลกว่าศาสนาผ่านมาระยะยาวนะผู้กระพฤตปฏิบัติอาธรรมนั้นอย่าไปลึกฝันว่าจะหมดไปจากีิเลตตันหาปฏิบัติ ก่อปฏิบัติไปเพื่อเป็นนิสยัยแถวนั้นไม่ใช่จะเป็นพระอาหารหันต์อาหารหันต์เหมือนสมัยก่อนนี่เป็นเรื่องคนที่ไม่ผลฤติปฏิบัติตุ่ศึกษาตำลับตำลาก็ยังมีความสงสัยลังเลใจเพราะไม่เคยเห็นเคยเป็นถ้าเราเห็นเราเป็นเพียงท่านสัณห์แถวนั้นเพียงจิตของเราได้สัมผัสกับอาจธรรมแ่านั้น เราจะไม่มีการสงสัยจะสงสัยอะไรเราปฏิบัติเรายังเห็นยังเป็นอยู่อย่างนี้ทุกยังมีอยู่ส ม, มุทัยยังมีอยู่นิโหลดมั่กมันก็ต้องมี้เมื่อเราทํางานอยู่เรื่อยๆงานนั้นถึงใจยากยุ่งใหญ่โตขนาดไหนมันก็ต้องสําเร็จพอเราทํา แต่คนไม่ทําบนว่า ง, งานมันยากมันลําบากอยากจะให้งานมันเสร็จคนนั้นถึงงานนิดๆหน่อยๆนั่งบนอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ลงมือทํามันก็ไม่สําเร็จให้มีการประพฤติปฏิบัติใจกว่าทำนองเดียวกันให้ต่างหน้าต่งางตาประพฤติปฏิบัติทําที่พระพุทธเจ้าสอน ซึ่งทั่วไปจำได้และสาทยายข้องบนกันว่าธรรมเป็นอากาลิโกเป็นเอหิปัสติโกเป็นโอปะณีิโกนี่คือบททองทำทำธรรมธรรมะคุณมีหกบทนับแต่สวากาโตพระวจตาธรรมโมสันทิจิโกอากาลิโกเลื่อยไปจนปัจจเจตังนี่คือธรรมคำสอนของวัะเจ้า ฉัานตรัสไว้ดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่ไหนบกพร่องสมบูรณ์ถ้าผู้บวชปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเน้ยสอนเอาไว้สัรทิฏฐิโตจะต้องเห็นในจิตในใจของตัวโดยไม่ต้องไปถามคนอื่นโดยไม่ต้องให้คนอื่นบอกมันเห็นมันเป็น ในจิตในใจความสงบของใจเป็นอย่างไรความตัดขาดของสัญญาอารมณ์เป็นอย่างไรจะต้องทราบจะต้องเข้าใจเพราะเราต่อพืชปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นสันริติโกเห็นเอไปจากอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาเพราะให้ตั้งหน้าตั้งใาต่อพืชปฏิบัติ อย่าไปสงสัยว่ามรคลจะไม่มีกิเลสตัณหายังมีอยู่มรคลจะต้องเป็นคู่กันความอิม่มมันก็มาจากความหิวถ้าเราทานแล้วความอิม่มมันเกิดขึ้นแต่หิวไม่ทานจะบนขนาดไหนมันก็ไม่มีวันเวลาที่จะอิ่มให้ฉันใดมรคผลรางศาสนาก็ทํานองเยกกันเียงเรียบนอยากได้ แต่ม่ลงมือประพฤตปฏิบัติไม่ฝึกหัดจิตใจข้องตัวมันอยากคิดอยากปรุงอยากเกี่ยวอยากขวองกับอะไรตบปล่อยมันไปแล้วแต่สัญญาอารมณ์อะไรจะผ่านมาตะคุบทางนั้นคนแบบนั้นจะเรียนมากมาขนาดไหนก็ไม่เคยมีความสงบของใจจะมีความสงสัยอยู่ตลอดเวลาเพราะ ไม่ไประสบพบเห็นความสงบจากสัญญาอารมณ์ไม่เคยสระพฤตไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัด ต, ตัวเองแล้วอยากจะหมดี่เลสมันจะหมด ไ, ได้อย่างไรเพราะเราไม่กำจัดไม่ปฏิบัติเ่วนความหมดจดของจิตของใจมันก็เกิดสงสัยอยู่เรื่อยแล้วก็กลาวตูวด้มินไปทำทำสอนของพระพุทธเจ้ า, านั้น หมดการหมดสมัยคือลาสมัยใครเขาพื่อปฏิบัติคนนั้นก็ลุ่มห ล, ลงงมงายเขาจะต้องดูหมิ่นนินทาว่ากล่าวไปอย่างนี้พอเขาเห็นเรื่องพิเลนตัญหาเป็นคล่องดยิบค่องดียิ่งกว่าธรรมะแต่เขาเห็นธรรมะเป็นคองหยิบค่องดีเขาก็ลงมือปฏิบัติเมื่อเขาลงมือปฏิบัติเขาเห็นเขาเป็นในกิจในใจจะไป ดูถูกเดินทาที่ไหนเพราะธรรมะนั้นเป็นของดีของมีคุณค่าสำหรับใจของเขาถ้าาจคิดส่วนรวมทั่วโลกธรรมะนั้นก็เป็นเครื่องคุ้มค้องโลกให้สุขให้สงบได้เพราะผู้มีธรรมะในจิตในใจก็จไม่เบียดเบียนใครธรรมะทุกข้อที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ เป็นของดีมีคุณค่าไป ใ, ใจของล่าสมัยคิดดูแต่สีนทุกข้อมันล่าสมัยไหมเราพิจารณาดูสิกฎหมายสมัยได้ก็าตามเยอะตั้งขึ้นเดียวก็เลิกไปขอนไปอย่างในประเทศไทยของเรารัฐธรรมนูญก็แกะไขไม่มีวันไม่มีเวลา รัฐบาลนี้แก้ไขอย่างนั้นรัฐบาลนั้นแก้ไขอย่างนี้เพราะเลยมีตายานเหมือนพระพุทธเจ้าตั้งขึ้นแล้วก็ว่าไม่เหมาะสมควรจะแก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้นี่สี่นที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้สองพันห้าร้อยกว่าปีมาข้อไหนล่าสมัยแล้วควรที่จะตั้งใหม่อย่างไรมีไหมลักษณะทั่วไป <c oughs> ที่จะคิดแกะไข่ศีลที่พระพุทธเจ้าสั่งไว้ว่ามันลางสมัยไม่มีอย่างปานาจีบาทการข่าการปีกันเบียดเบียนกันสมัยนั้นกับสมัยนี้มันขอทําทนองเดียวกันคนข่าการเบียดเบียนกันนั้นมันสงบสุขไหมเต็นที่ปราถนาไหมพอมาข่าเรามาเบียดเบียนเราเราชอบไหมเรายินดีไหม เือเราไปยินดีเราไปข่าเขาเบีเยดเย็นเขาเขาเหล่านั้นเขาก็มีจิตใจเหมือนกันกับเรามันจึงไมล่ล้าสมัยมันยังทันสมัยอยู่คนทีไปที่ไหนข่าคนนั้นตีคนนี้คนทั่วโลกยินดีเดือบใสไหมเราอยู่นี้ถ้าหากเป็นอย่างนั้นเจอกันเข้าก็มีแต่จะข่ากาันตีกันเราจะนั่งสงบสุขได้ไหม ไม่มีโอกาสเวลาที่จะสงบทุกได้การรักของเขาก็เหมือนกันของใครก่อนมีสิทธิ์ ห, วหัวแหนไม่อยากจะให้คนอื่นมารักมาสมอยมาปนมาเกี่ยวเอาไปเมือ่อสมัยก่อนทางผู้แทการกับสมัยนี้ก็ท่าน้องเยอะกันคนที่ทำอย่างนั้นกฎหมายยังมีหมัวห้าม จะมีจัดกุมเพราหลวงเกินกรรมสิทธิ์ของคนอื่นกฎหมายตอกออกไปจากศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้การรักษาศีลได้ดีเจียงหากขอแถานี้โลกมันสงบไม่ข่ากันไม่ขโมยกั น, ไ ม, กนไม่ประฤุินอกลูนอกทางนอกอกนอ ก, นอกใจกันครอบครัวนั้นจะสุขจะสบายไหม เห็นลงในหน้านั้อเชื้อทีกค่ากันตายยิงกันตายปุกแขนคอตายต่างๆนั้นเพราะไม่มีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝาไม่มีศีนอยู่ในกายในใจของตัวนั่นเองมันจึงเป็นอย่างนั้นการโกหกพกลมก็ทำนองเดียวกันพ้องไม่มีุูนขาสาละว่ะเป็นท้องมีคูนขาสาระท้องไม่ดีว่ะเป็นท้องดยิบท้องดี ของปลอมเป็นของจริง ถ, รโโรถูกโกหกก็ลมถูกหลอกลวงอย่างนี้สมัยนั้นท่านก็ว่าเป็นผู้จิตถุศีนผู้ขาดศีลสมัยนี้ก็ทำนองเดียว ก, กันคนที่ทำอย่างนั้นไม่ใช่คนดีที่โลกจะนิยมชมชอบแานจึงหวัดศีลของพระพ้ใจเจ้านั้นเป็นของที่ดังคงเส้นคงวาตลอดมา เรื่องการฝึกรักษาจิตกับทำลองเยียวกันคนที่มีจิตหนักเนี่ยทำอะไรเอาจริงเอาจังเสือทำสำเร็จในการงานจิตตัวทำจิตตัวต้องการโดยจิตตั้งมั่นทำอะไรทำอย่างเอาจริงอเอาจั ง, จ ง, จงไม่หลาะแหละเละีล้ยวไหลไม่วันไว้เอ็นเอียงไปต่างๆ เป็นคนที่หน้าเรื่อมใสถ้าอยู่ในโลกทำงานทางโลกคนทั่วโลกโไว้ใจเชื่อใจเรื่อมใสศรัทธาถ้าอยู่ในทางาศาสนาก็มั่นคงในอัตในธรรมว่วอกแวกมีคือจิต มีสมาธิจิตหนักแน่เพอถูกสัญญาอารมณ์อะไรเขา้าไม่เอาฐานให้นี่แต่วันไหวบวกแวกอยู่สม่ำเสมอทำอันนี้ว่าอันนั้นดีกว่าโดยไปทำอันนั้นไปเห็นว่าอันนั้นมันยุ่งมันยากอันนั้นง่ายสบายโดยไปทำอันนี้อยู่ตลอดเวลาหรือชอบใจใครก็วิ่งไปตามคนนั้นไม่ชอบใจก็หอบเสือกลับเห็นคนใหม่ น่ารักน่าชอบใจริ่งไปอีกคนแบบนี้เขาถือว่าเป็นคนดีหรือคนเร็วแต่พิจารณาดู พ, อ, พอจะทราบว่าหลักของศาสนานั้นนันลาสมัยที่ตรงไหนคนมีปัญญารอบข้อพิจารณาอะไรเข้าใจของแท้ชัดเจนทำอะไรไม่สอยผิดพ่าเรื่องของปัญญา เราครอบทุกทสิ่งทุกอย่างไปในว่าปฏิบัติแก่ต น, นและคนอื่นเนวปฏิบัติงานนอกหรืองานในคืองานใจของตัวคนอย่างนี้เป็นคนชั่วหรือคนดีนี่คือหลักของศาสนาขั้นสนอนไกลศึกษาคือศีลสมาธิปัญญานี่เป็นทางศึกษาทางปฏิบัติผู้ปฏิบัติถ้าเห็นถ้าเป็นในจิตในใจแล้ว จะต้องกลาบส่องวาจองเคาเ บ, บูช า, าพภูตได้แก้ว่าฉันเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบจริงๆมีพยานลึกซึ้งในใจคนโง่เงาสายตายขันเหมือนถูกเราฉันเห็นโดยพระไทยบริสุทธิ์นเอ็นดูเมตตาสัโลกจึงวางสาสนาเอาไว้ปูที่ตั้งหน้าตั้งตาเลื่อมใส้พืเพื่อปฏิบติ าากายวาใจใจท่องตัวตามธรรมที่พระพุทธเจ้าแนสอนจึงมีความสงบมีความเยือกเย็นมีความเป็นฝุกสิ่งที่ชั่วทั่วไปที่ท่านบอกเอาไว้ไม่ว่าจะทำโดยายพูดรืวยวาช้าหรือคิดด้วยใจยอมละยอมปล่อยยอมวาง ด้วยปัญญาของตัวว่าสิ่งนั้นชั่วสิ่งนั้นเสียเขียนไปจากแทเก้เจนไมในจิตในใจไม่กล้าที่จะฝากถืนคำสอนของพุ ด, ด้เจ้าจิงใดที่ท่านเนียสอนมีนความสงบมีความเยือกเย็นมีความเป็นสุขสิ่งที่ชั่วทั่วไปที่ท่านบอกเอาไว้ ไม่ว่าจะทำโดยายพู ด, ด้วยวายชาหรือคิดด้วยใจยอมละยอมปล่อยยอมวางด้วยปัญญาของตัวว่าสิ่งนั้นชั่วสิ่งนั้นเสียเห็นไปจากชัดเจนในจิตในใจในตกล้าที่จะฝ่าพืนคำสอนของพูดไจ้สิ่งได้ที่ขันแน่สอนใ้บำเพ็ญ สิ่งนั้นถึงจะฝ่าฝืนจิตใจทองตนก็พยายามบังคับใส่จิตใจจิตนึกใส่วาจาพูดใหกกายทำในสิ่งนั้นเมื่อทำไปจะเห็นอานีสงส์คือความสุขความสบายเกิดขึ้นในจิตในใจทองตนไม่ได้ทําห